ที่จะอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายทึงเรื่องวิธีทำบุญคล้ายกับวันเกิดขอให้ถือเป็นการเทศเก็แล้วกันคำว่าเทศในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอย่างให้รู้จักเหตุผลสิ่งที่ควรไม่ควรทำเป็นประโยชน์หรือให้โทษขนาดไหนแล้ว เ, เราจะได้ตั้งใจทำให้ถูกต้อง นี่แหละจีงเรียกว่าให้ถือเป็นการเทศเนียวันคล้ายวันเกิดเรานิยมพากันทําบุญวันที่เราเกิดคือมันตรงกับเดือนเดือนหรือวันที่หรือวันอะไรก็ตามเถอะโดยมากเพียงแต่วันกับวันที่เรามักถือกันเพียงแค่นั้นวันที่เราเกิดแล้วก็พากันทําบุญ เพาการทําบุญนี่มีความหมายเบื้องต้นหมือนผู้ที่ริเริ่มทีแรกเข้าใจว่ามีความหมายแต่นานๆ น, น, นักเข้าไมา่ค่อยจะมีความหมายเป็นได้เพียงพิธีไปนะโดยส่วนมากนอกจากจะเป็นพิธีแล้วยังกลายไปอีกเป็นเรื่องพิธีหาเงินไปอีกหรือเอาหนาเอาเกลื่อเลยๆไปเจือดไปโน่นก็มีอ่ามันเลยเลยเจือเรือไปโน่นเนี้ย ความหมายเบื้องต้นจะมาเข้าใจาเป็นอย่างนี้ทรรมบุญมันเกิดคนเราเกิดวันเดียวเกิดครั้งเดียวตายก็ตายครั้งเดียวตายจริงๆตายครั้งเดียวเกิดนะเกิดจริงๆเกิดครั้งเดียวเหมือนกันพ่อแม่ก็คู่เดียวไม่มีพ่อสองคู่วันนั้นแหละวันแรกที่วันเราเกิดนั่นแหละ เป็นวันศลิมงคลเป็นวันมหามงคลอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าวันนั้นวันเราลือตาเห็นโลกเราอยู่ในครั้นตั้งเก้าเดือนสิบเดือนอาวัยวัตทุกชิ้นส่วนอยู่ในขอบเขตบังคับทั้งนั้นมีตากระลืนตาไม่ได้มีหูก็ไม่ได้ยินอะไรมีจมูกจะสูบกลิ่นอะไรก็ไม่ได้ มีปากเขาพูดไม่ได้มีกายแม้แต่การเนื้อจะขยายก็ขยายไม่ออกอยู่ได้ขอบเขตบังคับทุกชิ้นส่วนเลยวันนั้นพอดีเราคลอดออกมาตกฟ้ากันเลยลืมตาเห็นโลกเลยเป็นมหามงคลอย่างยอดเยี่ยมวันนั้นยังเป็นวันควรเราลึกคิดถึงคุณค่ามหาศาลของชีวิตของเราเราจะ เป็นพระเป็นเนนหรือเป็นข้าราชการเจ้านายหรือจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดเป็นรัฐมนตรีนายกกระทรมนตรีหรือเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นอะไรก็ตามถือแม้แต่เป็นพระเดจเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหะเป็นต้นของที่จะเป็นคือวันนั้นแหละถ้าเราไม่ได้คลอดออกมาแล้วเป็ี่นมาได้สักอย่างเดียวนี่ความหมายของวันเกิด จึงควรระลึกคิดถึงวันเข่นนั้นผู้ที่มาแล้วระลึกคิดถึงวันนั้นเป็นวันสิมงคลวันโชคลาภอันยิ่งใหญ่วันอันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่ามหาศาลจึงควรระลึกคิดถึงวันเข่นนั้นวันเดือนเข่นนั้นทําบุญระ ล, ลึกถึง อีกนะั้นหนึ่งจะเรียกว่าฉลองวันนั้นก็ได้หรือลึ ก, ล ก, ลกถึงวันนั้นเป็นวันดีก็ได้เพื่อจะไม่ให้ลืมบุญคุณของวันนั้นนี่ความหมายความเข้าใจพอ่อ ม, มาคงจะหมายกันแบบนี้ถ้าไม่หมายแบบนี้เราไม่มีประโยชน์ทำบุญมาเกิดไม่มีประโยชน์เลยนอกจากจะได้ประโยชน์ดังอธิบายมาแล้วคือว่า ต้องการเอาหน้า เ, าเกียริชื่อเสียงหรือต้องการล่าพัสกา์ละเงินก็ตามเถอะต้องการเงินต้องการทองอะ่ะโดยมากมาเป็นอนงานท่นนั้ น, นเป็นส่วนมันเลยเตลิดเปิดเปินเข้าไปไม่ใช่ความหมายแท้จริงทานนี้เราทำบุญวันเกิดกันดังอธิบายให้ฟังมาแล้ว เมื่อเราได้ประโยชน์จากวันนั้นเช่นเราตั้งตนตั้งตัวมีฐานะทรมาหาเลี้ยงชีพได้ดีได้ดีขึ้นมาบรรดาลูกลูกห ล, ล, ลานที่เกิดมาหรือญาติมิตรปกครอ ง, รองพี่น้องซึ่งได้ประโยชน์หรือลูกน้องทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากคนคนนั้นในวันนั้นเขาก็จะมาทําบุญจนทาน เขามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ของเราเราก็จะได้มาทำบุญฉลองวันนั้นเรามาเกิดพ่อแม่ของเราเกิดวันนั้นเราจึงค่อยได้มาเป็นลูกของพ่อของแม่เราเราลึกถึงบุญคุณของท่านมาทำบุญฉลองคือว่าทำบุญในวันเกิดของท่านนี่ความหมาย แต่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปประเพณีนิยมหรือการสังคมมันเปลี่ยนสภาพไปมาสมัยนี้มันไปอีกรูปหนึ่งสมัยเมื่อก่อนๆลูกเจ้าเกิดขึ้นมาพอตกฟ้าเท่านั้นลหละเห็นหน้าลืนตามาปื้มปีตีแซนที่จะปื้มปีติถ้าเป็นลูกผู้หญิงก่อนคิดคืดคิด พึ่งปีติว่าจะเป็นกุรธิดาที่มีคุณค่าประโยชน์แก่ตระกูลวงวานของเราจะได้รับมูลมรดกที่อุตสาห์คนขวัยสแสวงหามาได้จะได้มอบให้เขาเป็นมูลมรดกต่อไปแลาไม่เสียแรงที่หามาได้พ่อแม่หาเงินหาทองได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เหลือใช้เหลือสอยคิดถึงแต่ลูก ยังให้เป็นมวลมดก ข, ของลูกถ่ายเดียวสมัยก่อนนะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลูกผู้ชายเกิดขึ้นมาก็คิดว่าลูกของเราเติบโตมาแล้วจะได้ให้มีการศึกษาสถาบันในที่ดีๆก็าจะได้มีความรู้และมีอาชีพสูงๆเขาจะได้เป็นที่พึ่งของวงตระกูลหรือมีชั้นนั้นเมื่อเติบโตอายุ ครบบวชแล้วเราจะได้นําไปบวชในวัดวาสศาสนาแล้วก็จะพลอยได้บุญจากลูกชายของเราเห็นลูกชายของเราบวชในพุทธศาสนาแล้วก็มีหนามีเกียรต์อิ่มอกอิ่มใจจิตใจเบิกบานโบราณท่านว่าลูกเจ้าบวชเรียกว่าจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้ ก็น่าจะสมจริงโดยสามารถที่เราเห็นกันมาบางคนไม่เคยเข้าวัดเขา้าวาพอลูกบวชเข้ามาก็เข้าวัดได้ไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลได้มีก็น่าจะสมจริงอยู่ว้างคือสามารถทําดีขึ้นมาอาหารว่าลูกเต้าของเราอยู่ในพุทธศาสนานมนานไปก็จะได้ ยิ้มโอ้ยยิ้มใจเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักศีลธรรมนอกจากนั้นก็จะได้ข้าจุนพุทธศาสนาให้เจริญท้าวรต่อไปศาสนาเป็นของสาธารณะไม่เหมือนกบสมบัติในตระกูลของเราลูกเจ้าของเราเกิดขึ้นม า, าหากว่าเป็นฝั่งเป็นฝาลับมูลมรดกดกทอดจากพ่อจางแม่ ก็จะคุ้มครองรักษาเพียงแค่มูลมดุดกที่มีในตระกูลของเราเท่านั้นส่วนพุทธศาสนาเป็นของาสาธารณะถ้าหากว่าลูกเต้าของเราบวชเข้ามาแล้วได้ปฏิบัติหลักศีลธรรมถูกต้องและมีความรู้ความสามารถนำศาสนาเผยแพ่ไปโดยไม่จำกัดในชั้นตระกูลใดก็ดี วงวันในบ้านเมืองใดก็ดีไม่ได้จำกัดขอบเขตได้นำคนที่ไม่เลื่อมใสเลื่อมใสคนไม่มีศรัทธามีศรัทธาคนละชั่วทำดีเพราะลูกของเราความดีนันมัวว่างขวงไม่มีขอบเขตพ่อแม่ก็คิดถึงลูกถึงเก้าของตนที่ได้ทำประโยชน์แล้วก็จะยินใจพอใจยินดี แต่กับบางคนบางตระกูลคือไม่อย่างให้ลูกบวชไม่ชอบถ้าอยู่กับครอครัวบ้านเรือน้องตนลำลงวงตระกูลตัวตนดีอกดีใจชอบอบชอบใจถ้าทำแบบนั้นเห็นว่าเป็นของไม่ใช่ของเราเส่จแล้วความคิดแคบถ้าคงมคิดกว้างก็อย่างที่ว่านี้เหตุอย่างนี้แหละผู้ได้เจ้าของเรา จึงได้เสด็จออกสู่เพเนศมหาจั ก, กรมเพือออกบวชยอมสะละราชสมบัติขนาดพระราชบิดาหรือพระญาติพระวงศ์สานวงศ์มีความอาลัยอาวรณ์หวงแหนที่สุดไม่อย่างให้ออกบวชแต่พระองค์ก็เสด็จออกบวชจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสัพยุตตัตตสดุอนุตตรสมาสัมโพธิญาณ เมื่อสาเร็จแล้วในผลที่สุดพญาตพระวง์ทั้งหลายนั่นก็พลอยได้ดีด้วยเบื้องต้นไม่เห็นด้วยที่หลังว่าจะพลอยได้ดีด้วยอย่างนางพิมพายโสธราและพระราหุลซึ่งเป็น อ, อัครมเหสีและพระลาตโอรสก็ได้เสด็จออกบวช ด, ด้วยกันในสาเร็จเป็นพระรหันด้วยกันพระเจ้าสีโสธทธนะซึ่ง ลักนักหนาหวงแห็นนักหนาว่าอย่างไรพระจิตานละถึกล ม, มานจะเด็ดออกบวกพ่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแม้ผลที่สุดเมื่อเดชสําเร็จพระโพธิญาณแล้วก็เดชเทศโปรดพระราชบิดาตามเรื่องเล่าไวไ้เดชสาเร็จพระอาหาันต์จงแต่ว่าอยู่ไม่นานคือเป็นคารวะไดอยู่ได้เจ็ดวันก็เลยนิพพานนิทานท่านเล่าอย่างนั้นนี่ความกลัวขวงก็ผิด ก, กัน คนเรามากักเห็นเกประโยชน์ส่วนตัวเห็นคแค่เรื่องการพุทธศาสนาเป็นของว้วงขวงมากเป็นของสาธารณะดูสิพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ ป, ประเทศอินเดียเคยแพร่มาตลอดถึงลังกาพมา่าอินโดนีเซียมาตลอดถึงเมืองไทยต่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศจีน ล้วนกนะ่วงขวางเข้าไปทั้งฐานนะั้นทำให้คนรู้จักละชั่วทำดีตามฐานะและศรัทธาขั้นภู่มของตนของตนเป็นของก่วงขวางมีคุณมหาศาลมากนี่คนโบราณสมัยก่อนเมื่อลูกเจ้าเกิดขึ้นมาคิดกันอย่างนี้อิ่มอเยิยมใจดีอกดีใจ มาสมัยนี้เหตุการณ์มันบีบบังคับสังคมมันไปเปลี่ยนแปลงเอย่างลูกเต้าเกิดขึ้นมาไม่คิดกว้งขวางมากโดยมากมักอยากจะเศร้าใจลูกล้วเกิดขึ้นมามันจะเป็นอะไรนอะมันจะ ด, ดีกินดีหรือมันจะฟังคําพ่อแม่อยู่ในโอวาทสั่งสอนพ่อแม่มันจะเอาเรื่องเอาการหรือไมน่นา มันจะไปเป็นขโมยเป็นนักเลงหรืออะไรกันเนาเศร้าใจไม่คิดอะไรมากมายโดยส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้พอปรากฏขึ้นมาไม่กี่ปีอะไม่นันถึงสิบขวบแลวแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วทำให้เศร้าใจรุ่มใจโดยส่วนมากมัเป็นอย่างนั้น ลูกชายก็เหมือนกันลูกผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นนาศเศร้ า, ราะสลดสังเวชเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสังคมนิยมของคนในสมัยนี้วันเกิดที่ว่าเนี่ยเป็นของมีคุณค่าเลยหมดเสื่อมสู์ไปเลยไม่เป็นวันเกิดที่เป็นที่มงคลเสียแล้วทุกวันนี้ ถ้าหากว่าทุกคนพากันคิดถึงวันเกิดของตนเพราะเป็นของมีคุณค่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่เมื่อได้วันนั้นเกิดจากวันนั้นมาแล้วหลังจากนั้นมาแล้วพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่ดีแล้วก็ให้มันดีตลอดจเจริญรุ่งเรืองต่อไปตัวคิดถึงชีวิตที่มันของหาได้ยากที่ว่าเนี่ย ของที่หาได้ยากควรที่จะสงวนรักษาไว้ย้ายให้มันเสื่อมสูญไปจึงจะถูกต้องจิงจะถูกว่าวันนั้นเป็นวันดีวันเกิดเราเป็นวันดีวันนั้นเป็นของมีคุณค่าให้มันสมกับคุณค่าของมีค่าต้องใช้มันมีค่าสิอั้นของดีก็ต้องอาใช้มันถ้ามันสมกับคุณค่าของที่มีค่าเนี่ยสิมันยังก็จะเป็นของดีขึ้นมาได้ ถ้าหาว่าของดีไม่ได้จากคุณค่ามันถูกกับตำราที่โบราณท่านว่าเลีงได้ทองอ น, นี่โบราณทำาเอาทองแต่งเลีงทองเขาสำหรับแต่งสำหรับคนมีคนรวยคนมีคนรวยแสดงว่าเอาทองมาแต่งเขายังเงินเขามีเงินมีทองเขายังคอยได้ทองมาแต่งตัวแต่ในลีงเขาไม่เคยหาสตาง เขาไปทองไปแต่งมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักรักษาเรียกว่าเอาทองแต่งรีงวันที่เป็นวันดีมีคุณค่าหากว่าเราเอาชีวิตหลังจากวันเกิดนั้นมาไวปป้ระพฤธเกลเียวเลือเลอเลือเทอะเลวไหลเบื้องต้นตั้งแต่ไม่อยู่ในโอวาสสั่งคำสั่งสอนพ่อแม่คือเสรี ชิตเสรีทุกคนจะแลกขโมดน้องทางพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันเองแต่ท่านไม่ได้พูดว่าชิตเสรีอัตจาหิอัตโนนาโถตนของตนแหละเป็นที่พึ่งของตนช้อนชิตเสรีเหมือนกันแต่ชิตเสรีของพระเจ้าพิชจากชิตเสรีของเราชาวคนในสมบทเรนี้ตนของตนไม่ที่พึ่งของตนนั้นหมายความว่า แล้ว เ, เกิดมาจากวิตามารดาท่านเลี้ยงมาพาใหญ่จน เ, เ, เติบโตนั้นท่านเลี้ยงมาเราเพิ่งเองไม่ได้เพิ่งตัวเองไม่ได้แต่ว่าตน้องตนในที่เพึ่งของตในที่นี้นั้นเราทุกคนที่จะต้องทําตนให้มีอิสระเกิดขึ้นในตัวในทางที่ดีเราไม่ต้องเอนอ่อนไปในทางที่ไม่เลีวที่เลี้ยวไห เพราะทุกคนต้องการดีเดีวยวกันทั้งนั้นยังเคยที่บายฟังแล้วโลกสมัยนี้สังคมสมัยนี้มันเร็วแล้วคนไปโทษแต่สังคมเร็วตัวของเราเองคนหนึ่งเป็นคนในสังคมและทําไมเรายังไม่พึ่งตนเองล่ะคะนี้เราคนหนึ่งเป็นคนอยู่ในสังคมคนนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นพึ่งตนเองี่จะไปเล้วไหลกับสังคมสิสังคมเล ย, เยวไหลจะยยไปทําตามจริงๆเลยจะตนเขาเป็นตนของตขมีที่พึ่งของเขงท่านหมายตรงนี้คําต่อเนื่ไปจังท่านไม่ได้หมายสิทธิสิททั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราชอบแล้วถือเอกสิทธิทั้งนั้นถ้าไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ดีที่ชอบสิ่งที่ผิดที่ถูกให้มีขอบเขต พูดกันง่ายๆว่าทำสิ่งใดลงไปแล้วมันเป็นเรื่องให้เสื่อมเสียตนเองและทั้งเป็นเหตุใหเสื่อมเสือคนอื่นเสียมเสื่อมเสียคนอื่นอันนั้นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันดีนะเมื่ทอทําอันใดลงไปแล้วมันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์เป็นคุณ ป, ประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ดีอะไรตัวอย่างในสังคมในสมัยดีนี้ สังคมสุรายาเมาเข้าใจว่าเป็นสังคมสูงสังคมดีเด่นถ้าเข้าไปในที่นั้นแล้วไม่ดื่มสุรา็ขอ <c oughs> เขาว่าเข้าสังคมไม่ได้ดีไหมถ้าหากเราคิดในใจของเราคนเดียวมันดีไหมแพทย์ก็พิสูจน์แล้วบอกว่าเป็นโรค ก, ก็เห็นตัวอย่างอ่ะแล้วดื่มเข้าไป นิดหน่อยเดีวทีแรกนะ่ะแล้วก็รู้แล้ว่าเป็นยาเสพติดแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติดรู้ทุกคนทีแรกนิดหน่อยเพื่อเจริญอาหารนานๆ น, น, นะเข้ามันไปเจริญสุราไม่ใช่เจริญอาหารถ้าไม่ทานอยู่ไม่ได้อาหารจะไม่อาหารก็ตามเถอะต้องอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องเจริญสุรานะอะไรอีกเกิดขึ้นมาอีก สติสตังก็ไม่มีคนแก่คนเฒ่าคนมีเกียจรจิี่ยอดชื่อเสียงเลอะเทอะเลวไรหมดพูดพุ่มเพือ่อไม่มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งกว่าเด็กอีกครับในขณะนั้นมองดูเธอะเสียไหมนะนอกจากนั้นอี้กลับมาบ้านเลยค่ะโซเซมาทะเลาะกับครอบครัวกับบ้านเัาเรื่องอีกไปที่ไหนทะเลาะกับตรงนั้นเว้นเสียแต่ว่าเขาจะแม่เอาเรื่อง ถ้ปล่อยทิ้งเห็นว่าคนเลวคนเสียเสร็จแล้วเขาทิ้งซะทั้งหมดเรื่องกันไปถ้าคนไปต่อรอดต่อเถียงแล้วเป็นอันว่าเป็นอันใดเรื่องเลยเสียไม่เท่าไงเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เขากแค่ น, นิ้จบว่าเป็นกองดีนะเราคนหนึ่งแหละอยู่ในสังคมที่ว่านี่แหละถ้าหากเราถืออัจฉรยิยะธนูนัทโถ น, น, นันเขาต่อไม่พึ่เพื่อนเขาต่ย่ไปถือเองแย่ทุกคนพากันคิดได้อย่างนี้ คืตนนั้นตนเป็นที่เพึ่งของตนแล้วสังคมก็จะเจริญก็จะไม่เลอะเทอะเลียวหลายอย่างคือวันเดียวนอกจากนั้นอีกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่าสุรายาเมาอาจจะเปลืองกว่ากับเขาอสในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใครได้ทานกับเราเลยลูกลูกในเมียู่ที่บ้านคืนได้ทานกับเราไหมได้อิ่มกับเราไหมเ้าทั้งนั้นเนี่ย เมื่อเป็นเช่นนั้นข่าวค่านี้ทางบ้านก็นเลยแทบไม่พอใจก็เลยจะเป็นเรื่องไป็นป่าเปนเสียงขึ้นต่อไปเรื่องมันยืดยาวเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมันเสียทําให้ต้นเสียแล้วคนอื่นเสียด้วยจึงเรียกว่าไม่ดีถ้าเข้าตนแล้วตนชอบนั้นว่เป็นดียังมาทันถูกอันนี้สิ่งที่ไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีเราทําไงละกัน แล้วก็เห็นกันทางบ้านทางเมืองเมื่เว้นถ้าลองดูจริงขนายนั้นอะ่ะถึงสังคมเขาจะไม่ชอบกระตั้งไม่พอใจกระช่างแต่เราก็ภูมิใจครอบครัวงเราก็พอใจยินดีถ้าใช้ใจกันไม่สินเปลืองมีทางที่จะมัดทะยานนะครนี่เมื่อเราทาดีแล้วสอนคนอื่นก็นได้ถ้าหากเราเป็นคนไม่ดีไปสอนลูกสอนเจ้ามันก็ไม่ฟัง แลเป็นตัวอย่างเราไปพ่อพิมพ์แม่พิมพ์มาแล้วมันจะดีได้อย่างไงลูกตูกังลามก็ดีไม่ได้มีสิ่งที่ดีไม่ได้เปลืองสตางค์และไม่ได้ทะเลาะกับคนอื่นคือไมไ่เสียทั้งตนและคนอื่นนี่เรื่องธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเครื่องวาดเครื่องเทียบถ้าหากเรารู้สึก ลึกถึงวันเกิดเป็นของดีมีคุณค่าเราควรที่จะรักษาคุณค่าคือวันนั้นหลังจากวันที่เราเกิดนั้นให้มันดำลงทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีเป็นสิริม ง, งคลแก่ตนตลอดกาลถ้าเราทําเช่นนั้นแล้วไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ไม่ต้องทําทุกปีก็ได้วันเกิดหากเราจะทําก็ทําเป็นสักได้บ่เพ น, นี ถ้าหาเราลึกได้อยู่ตลอดกาลหลังจากนั้นมาแล้วเราลึกได้อยู่ตลอดกาลวันนั้นเป็นวันเกิดวันนั้นเป็นวันโชคลาภวันนั้นเป็นวันชีรีมงคลวันนั้นเป็นวันมีคุณค่ามหาศาลเราลึกได้อยู่ตลอดกาลแล้วเราบำเพ็ญคุณงามความดีคือสร้างตนให้ดีทุกวันทุกวันความดีนั่นก็จะเริญงงอกงามต่อจากวันเกิด ที่เป็นวันวงคนนั้นดีขึ้นโดยลาดับชีวิตของเราก็จะไม่ขาดทุนมีแต่ ก, กํำไรทุกวันทุกวันกำไรในทางที่ดีที่ชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราก็เบิกบานอายุของเราอยู่ได้นานเท่าใดจิตใจของเราก็เบิกบา น, นยิ่งนานแสนนานอายุจะดับจะแตกในระหว่างครึ่งกลางไม่ถึง สี 45, ่ชห้าชีปีแล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้บำเป็นคุณานามความดีไว้แล้วเราก็จะอิ่มใจอันนี้แหละ ว, วันเกิดข้อสําคัญของวันเกิดเท่าเที่มแต่มาพิจารณาและคิดเห็นประโยชน์ในวันเกิดเป็นอย่างนี้อย่าไปทําให้เกินตะเลิดเกินขอบเขตไปทําวันเกิดทําให้อยู่ในขอบเขตจํากัดให้เข้าถึงหลักความหมายความประสงค์ ยังจะเป็นชิริมงคลเอาละอธิบายแค่นี้สมาธิขาเลยนั่งพักก็ตามใจเอาจจะสะดวกสะดวกทางไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจทังความหมายให้ไปเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเรา แค่ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจคือทำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำาพอนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบเสียก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทำงานตลอดวันค่มคืนรุ่งคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิน้น ได้ว่า ง, งานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็ไม่มีพลังอ่อนเพียกระทบอะไรเข้ากับวันไหวจิต ท, ที่วันไหวกระทบอะไรเกิดความวันไหวให้เกิดความเพลินหัวเลาะเฮหาให้เกิดความกลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องโห o อันนี้ด้ ว, ดวนในแต่กำพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเหมือนกับคนเราทำงาน งานกายร่างกายถ้าหากเราทำตลอดวันข้ามไม่มีการพักทำงานมันก็ไมเ่เคยได้ผลเพลียเดี๋ยวก็ง่วงซึมนอนหลับไปเสีย <c oughs> มีความหมายของการทำสมาธิคือพักใจได้ก่ยการทำความสงบที่เรียกว่าสมาธิจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้ก็ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เรา เกิดขึ้นมาไม่เคยทําเลยสักทีแม้่ติดใจก็ยังไม่รู้จักคือใจคืออาไสมีแต่วุ่นมีแต่ส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เหตุนั้นเร า, าพักใจให้มันสงบลงไปใจเห็นวนะ่าโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้เองความสงบอยู่นี่นอะนี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จัก ตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทํำความทําสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจไปแกนี้แล้วกัจะเห็นโน่นเห็นนี่โดยอยากได้นโน่นอย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดถึงมันถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งให้คิดนึกเอาปัจจุบันบางทีอาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกการ ง, งานที่ยังค้างๆก็ขาดจะสําเร็จได้ยังไง เอาไว้คิดก่อนทดลองลองตรงนี้ซะก่อนไม่นึกคิดลองลองดูงานไม่จะเสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทำงานในเวลาทำแล้วยังค่อยทำสิคิดนึกซะก่อนแล้ก็ทำถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทำก่อนสงบได้แล้วการงานบางที่อาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นในตนเอง เรายังว่าท่านถึงขั้นนะั้นเราเนี่ยทำไม่ได้อย่างนั้นเรามาต้องทดลองทําลองดูเมื่อสงบแล้วการ ง, งานจะดีไหมงานที่เราจะต้องทําต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบที่ไมเป็นไม่ลด้ทิ้งไว้ซะก่อนฉะนั้นจริงว่าหัดทํำความสงบใจเป็นของวัดแกงเป็นของเบามีอะไรกระทบนิดเดี๋ยวกกวัดแกลปลิวไปเลย เห็นันการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมันม่นอยู่ในจุดเดียวคิดใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายแมูกของเรานั่นแ่ะคือมันกระทบแต่จังหเพราะมันกระทบกันให้รู้สึกว่ากระทบความรู้สึกกันนั้นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายน้นเป็นใจคือความรู้สึกอันนั้นแหะแล้วก็สติคุมให้อยู่ตรงนั้นมาให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะพาฒนา น, นึกพุดโธก็ต่างใจได้เหมือนกัน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 กับจิตจะไปอยู่ในที่เดียวเราจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ไหนพุทโธก็ไม่ทราบ่าอยู่ไหนมันเด้งไปเป็ีนอันหนึ่งของมันอั น, น, อนเดียวเดีวยวกัน